สังคาที่เศษสิกขาบทที่ส2องว่าอนหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีสัญชาติแห่งคนว่ายากอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ถูกทางธรรมในสิกขาบททั้งหลายอันเนื่องในอุทเทศคือพระปาติโมกทำตนให้เป็นผู้อันใครใครว่ากล่าวไม่ได้ด้วยกล่าวโต้ว่าพวกท่านอย่าได้กล่าวอะไรอะไรต่อเราเป็นคาดีก็ตาม เป็นคำชั่วก็ตามแม้เราก็จกไม่กล่าวอะไรอะไรต่อพวกท่านเหมือนกันเป็นคำดีก็ตามเป็นคำชั่วก็ตามขอพวกท่านจงเว้นจากการว่ากล่าวเราเสียภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่าท่านอย่าได้ทำตนให้เป็นผู้อันใครๆว่าไม่ได้ขอท่านจงทำตนให้เป็นผู้อันเขาว่าได้แล แม้ท่านก็จงว่ากล่าวภิกษุทั้งหลายโดยชอบธรรมแม้ภิกษุทั้งหลายก็จักว่ากล่าวท่านโดยชอบธรรมเพราะว่าบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจเจริญแล้วด้วยอาการอย่างนี้คือด้วยว่ากล่าวซึ่งกันและกันด้วยเตือนกันและกันให้ออกจากอาบัติและภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ อย่างยกย่องอยู่อย่างนั้นเทียวภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมานุภาพกว่าจะครบสามจบเพื่อให้สลากกรรมนั้นเสียหากเธอถูกสวดสมานุภาพกว่าจะครบสามจบอยู่สลากกรรมนั้นเสียสลากได้อย่างนี้นั่นเป็นการดีหากเธอไม่สลาเสียเป็นสังฆาทิเศษ